หลกหลานอยู่ในความสงบมันสงบอย่แล้วเราบว่ามันหนาวใครๆก็ไม่กระดุกกระดกรเดกเลยว่ะนี่แหละพวกเราบนหาหนาวมานานบนหาหนาวมาอ้ทําไมไ ม, ไม่หนาวเลยปีนี้เนี่ยเห็นไหมมันหนาวแล้วปะเปนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยบางคนก็บอกวันลงห้าบางคนก็กวันลงหก แต่นับว่าโชคดีนะพวกเราออกมาฉันศาลาข้างนอกได้ฝีงแดดด้วยนะ <Yeah. S 1> แต่อยู่ข้างในโอ้เย็นกว่านี้เพราะไม่มีแดดส่องถึงศาลาข้างในแต่ศาลาข้างนอกรู้สึกว่าแดดส่องเข้ามาได้ฝีงแดดสาบจากโยมเขา บอกมาบอกว่าประเทศจีนลบสามสิบเดี๋ยวนี้เขาส่องลงมาจากดาวเทียมลงมาเนี่ยเขาโพลไปทั่วประเทศแปลว่าเป็นบางแห่งเป็นหิมะบางแห่งก็เป็นหมอกควันรถวิ่งไม่สะดวกประเทศจีนเดี๋ยวนี้นั่นแหละ ประเทศไทยของเราเป็นผลพลอยได้ลมพัดผ่านมาจากประเทศจีนเข้ามาประเทศลาวเวียดนามเข้ามาเมืองถึงเมืองไทยเข้ามาทั้งทางทางเชียงใหม่ทางอีสานก่อนพวกเรานี่ก็รับลมหิมะลมหนาวจากประเทศจีนเต็มๆเหมือนกันนะโอ้ พราะนั้นพวกเราอคลาวกรนั้นก็ทั้งฝนตกด้วยแต่นั้นข่าวเนี้ยนะว่าโชคดีนะโชคดีที่ว่าไม่บดเคิมอมันยังมีแสงแดดแสงแดดยังส่องพวกเราอยู่ยังให้ความอบอุ่นพวกเราอยู่ถ้าว่าไม่มีแสงแดดคงจะกว่านี้นะลูกหลานนะแต่จะทําทยังไงได้ เราก็ต้องปกป้องพึ่งตนเองนั่นอัตหิอัตโนนาถโถตนแลไเป็นที่พึ่งของตนพึ่งยังไงหลวงพ่อถ้าหาว่าไม่ไหวจริงๆนั่ น, ะนะกิ่งไม้แห้งท่อนไม้มีแต่แยะในวัดของเราเพราะเป็นป่าลากออกมาสิไฟสมเข้าไปน <c oughs> ความหนาวมันจะไปไหนวะ มันจะมาขนาดไหนวะ ส, สมมติทั้งสามข้างเราไปอยู่ตรงกลางเนละไล่หนีหมดนะความหนาวนะเอามันชนะมันได้เพราะฟืนของเรามีมากกิ่งไม้แห้งเรามีตั้งเยอะแยะไปทั้งไม้ไผ่ทั้งไม้อะไรนี่หละต้องพึ่งตนเองถึงคราวเช่นนั้นเราจะเป็นหนาวโดหนาวโคดจะ น, นอนตายกับที่นันไม่ใช่มนุษย์นะ เราต้องฉลาดเอาชนะให้ได้เท่าที่จะชนะได้นะไอตัวที่ชนะไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะลูกหลานะาละ น, าานะมรณะเมผวิสติถึงจะชนะเขานี้ได้เขาหน้าอีกยังมีถึงเยอะแยะไปทีมมันจะเล่นงานกับเราแต่ทิ้งยังไงก็จะทำยังไงได้เราเกิดมาในพื้นโลกใบนี้แล้วนะเราก็ต้องทำใจ ต้องแก้ไขปรับปรุงการเป็นอยู่ของเราเท่าที่จะทำได้ทามันเหลือวิสัยกับสุดวิสัยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันสุดวิสัยขนาดศาสตราจารย์หมอใหญ่ขนาดไหนก็ยังไม่พ้นเพราะอะไรเพราะมันสุดวิสัยคำสุดวิสัยคำนั้นมันมีอยู่นะ ถ้ามันหนาวจนสุดวิสัยมันก็มีเอีกหนาวไปทุกแข็งทุกคนเอื่องต่างประเทศนี่แต่เราก็ไม่เคยไปลนะไปเจาะหิมะไปอยู่ในโพรงหิมะในถ้ำหิมะเอ๊ะมันจะไม่หนาวหรอกเขาบอกกั บ, ก, บ, ก, บกับอุ่นเขาว่างั้นนะถ้าอยู่ข้างนอกเนจะหนาวกว่าถ้าเขาไปอยู่ในโพรงหิมะถ้ำหิมะนะอุ่นกว่านะกลับเป็นอย่างนั้นไปอีก เราไม่เอาเวลามันเราเดามันเราไม่เอาทําเป็นทำทาน้ําแข็งดูนะถ <c oughs> ้าทําทําเป็นทาน้ำแข็งดูทำฮิมะมันจะมันจะอุดไม่วะแล้วฮิมะกับ น, น้ําแข็งมากโคละอันกัน ว, <c oughs> วันนี้เป็นวันที่แปดวันจันทร์ที่แปด กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เมื่อวานเป็นวันตุตจีนและก็เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน2แล้วก็เป็นวันมอบถวายพระประธานเจ้าภาพคุณผูนศรีอุณานนกับล่หลานสร้างพระสร้างพระให้หลานสร้างพระประธานให้หลานาลา น, ลา น, น้อย แล้วก็หมอคุณภูลสีเนี่ยเป็นน้องสาวของคุณหมอเพนสีมกรานนที่ปฏิบัติของปฏิบัติคุณแม่ชีแก้วก่อนที่จะสร้างพระเนะี่ยคคุณหมอเพนสีนเป็นผู้ประสานติดต่อมาอบอกว่าจะทำบุญสักอย่างหนึ่งท่านอาจารย์เห็นสมควรอะไรที่จะทำบุญให้หลาน ที่เกิดใหม่เนะี่ยหลวงพออง่อว่าได้จะเอาอยัางไงครั้ที่แรกว่าจะบวชพระบวชพระแต่ว่าสร้างพระดีไหมแต่หนักนะหนักสร้างพระนี่หนักนก็ได้เท่าไหร่หลวงพ่อก็เลยบอกราคานะก็ว่าได้เนี่ยแหละจึงในสร้างพระที่ถาวายหลบเราเมื่อวานนะแต่เมื่อวานหลวงพ่อบอกว่า พระลูกเราราคาหนึ่งล้านห้าแสนแต่เสียต้อมบอกว่าไม่ไม่ถึงครับเท่าไหนึ่งล้านสี่หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมืนอ๋อหลวงพ่อพูดปิดไปภาษาวก k e ภาษาวก voke นะของเสียของแฟนเสียต้อมกับของแม่แม่ยายเสียต้อมอันนี้ องละสามแสนห้าครับหลวงพ่อไม่ถึงห้าแสนโอ้เราพูดผิดไปแล้วก็เนี่ยเมื่อวานนก็มีคนพูดขึ้นมาว่าเนี่ยหลวงพ่ อ, อจะได้พระอีกองค์หนึ่งในองค์พระประธานเนี่ยนะองค์พระประธานอยู่ต่อหน้านยอยู่ข้างหลวงพ่อมีคนจะถวาย เป็นพระขาวนะองค์นี้ยกพ่อมาก่ยังพูดพูดกันอยู่ราคาแพงเกินไปนะหลวงพ่อว่าเนะี่ยถ้าขาราคาลดกว่านี้ก็จะดีเพราะว่าสร้างมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของลูกของหลานทุกคนเป็นของกระทั่งผู้สร้างโดยอีกต่างหากทำมาให้มันขาดทุนเกินไปทามันขาดทุนเกินไปอย่างหนึ่ง ในราคาหลายเงินนะั้นลูกหลานนะเป็นพระขาวเป็นยกพมา่ามาจากประเทศพมา่าใหญ่นะลูกว่าเมื่อวานก็หลวงพ่อให้หลท่านหน่อยทําเป็นลูกจะลูกจําลองขึ้นมาสองเปเจดสิบเนี่ยับองค์ของเราเนี่จะโผ ก, กันใหญ่เ ก, เกินการขนาดไหนถ้าหากว่าทําและเกินไปก็เหมือนกับพี่น้องอยู่นั่งอยู่ก็ไม่สง่า แต่ตาวาใหญ่ใหญ่ขึ้นมาให้เป็นพี่แล้วว่าเป็นพ่อกับลูกอยู่ทางหลังแหะดูดูดแล้วชักสง่างามดีนะองค์ขาวองค์ดำแต่ลุงพ่อนยะอยากจะได้พระหินพระหินพอเอามาเสร็จแล้วไม่ไปไหนอยู่ที่เก่าไม่มีใครขยับขยายไปที่ไหนเพราะว่าเป็นหิน ถ้าเขาแบบเป็นอทองเหลืองทองแดงเป็นโลหะ เ, เอาจะยกย้ายเอาไปขายอะไรก็ได้แต่หินนี่ไม่รู้จักทำยังไงฮหอามาตั้งไว้อะไรกันนะเป็นที่กราบไหว้สักการบูชานานเท่านานชั่วฟ้าดินสลายทีเดียวเนี่ยนะอันนี้หลงพ่อคนนะี้ท้าได้เป็นพระ ประธานสีขาวองค์หนึ่งอยู่ข้างหลังแต่นี่กำลังกำลังนั่นอยู่กำลังติดต่อกับเจ้าของผู้ที่แกะพระเนี่ยนะคุณอะไรคุณพรประพานะผู้หญิงนะแม่บ้านนะคุณพรประพาคุณนิลันนะพ่อบ้านคุณนิลันคเคยมานะเคยมาที่วัดเรานะที่มาส่งพระนะ หลวงพ่อเอ้ยราคาแพงเกินไปมากเพราะสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อนะเป็นจมบัตดของแผ่นดินของพื้นแผ่นดินไทยน่าจะฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินไทยบ้างว่ะเอ่แต่ว่าฝากกงจะฝากหลายที่แล้วล่ะนะเอ่แต่มาฝากไว้อำเภอนายูงไว้สักหน่อยก็ดีในมุมนี้นะแต่ราคาเนี่ยก็อืมยังยังพูดยังต่อรองกันอยู่ แต่ว่าตามไม่จริงมันก็แพงนั่นแหล ะ, ะราค า, าจะทำยังไงได้แกะหินเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแต่หลวงพ่อก็ชอบพระหินนะลูกหลานนะแต่องค์ไหนก็ชอบทั้งหมดนั่นะเป็นพระพุทธรูปตัวแทนแต่ว่าหินนี่รู้สึกจะหนักแน่นเอามาวางไว้ที่ไหนไม่ขยับขยื่นเลยอยู่ถึงยังไงยังไงกันนะอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดพระ ประเทศลาวฝรั่งเข้ามายึดปกครองประเทศลาวกัเอาวัตถุเหล่านี้ไปแต่เป็นพวกรูปหินคงไม่มีปัญญาเอาไปเราลงพ่อวานอันนี้ก็ตัวแทนพระพุทธเจ้าที่พูดลูกหลานเมื่อวานเนี่ยลงพอ่อจะไปมอกพระที่หลุบเรลาให้แก่วัดแก่วัดนะ สร้างขึ้นมาก็เพื่อวัดวาศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อได้กราบได้ไหวขอรบสักการะบูชาในเมื่อเราไปเห็นพระประธานนี่ยกันเนี่ยนั่งต่อนหน้าพระประธานก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนะี่ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าตัวแทนพระพุทธเจ้าบริกรรมพุทโธนะพุทโธในใจ เวลาเราภาวนาจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งจิตใจไม่ปุงุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านจิตใจเป็นพุทโธนะอยู่ที่ไหนเป็นสุกมดนะ่ะให้มีพุทโธในใจถ้าหาว่าจิตใจของเรามีตล บ, ลบโลภโมกณนะมีแต่กิเลสราคะโทสะโมหะมีแต่เรือร้อนวุ่นวายพลายละจิตใจสงนอกออืถ้าสงนอก ถ้าส่งเขาข้าวไปขายต่างประเทศส่งนอกมันได้กําไรมาได้อแต่จิตใจส่งนอกมิตรขาดทุนอย่างเดียวเพราะนั้นพวกเราจะไปจิตใจส่งนอกนะถ้าจิตใจส่งออกไปข้างนอกเนี่ขาดทุนนะขาดทุนอย่างมากถ้าคนประเทศไทยของเรา north, ส่งวัตถุไปไปขายต่างประเทศส่งข้าวต่างประเทศส่งมันต่างประเทศส่งวัตถุไปขายต่างประเทศเนี่ยคนส่งนอก ได้กำไรแต่จิตใจส่งนอกเนีขาดทุนเพราะนั้นพวกเราอย่าส่งอย่าส่งจิตใจออกไปข้างนอกมากนะให้อยู่กับตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองถ้าจิตใจอยู่กับตนเองนั่นแหละได้กำไรนะมันแปลกนะได้กำไรแต่อยู่จิตใจอยู่กับตนเองมีสมาธิอยู่ตลอดนะเพราะนั้นพวกเราให้หากาไรให้กับตนเองนะ วันนี้ไม่พูดมากทังหนาวอ่ะรับพรในตอนนี้นะ